ถูกหลานชฎาญาติโยมเมื่อวานอากาศฮ่อนในหลวงพ่อวะหลวงพ่อว่าม็นฮ่อนกว่าปกติอยู่หมื่บ้านเลยพ่อตอนใบใบามาโอ้มันใหม่มันฮ้อนฮ้อนแบบใหม่ใหม่วันโน้ไปโมเมนตฮ่อนแบบแบบเพื่อออกวันโน้ตไปฮ้อนแบบแหมๆมันบมเมนต์ฮ่อนแบบเพืเอแบบเ่อแตกคื่ อ, อไหล มันห้อนห่อนแบบอบทางนอกก็แหงเข้าไปเลยห้อนแบบวาบวานะับน่ะเทห์จังไดล่ะเอาอยู่ในเตฟ้ากับมันห่อนแห้งไรกันแนะ่น่ะลงหมดหนามหวยล่างนะ่ะถ้าไข่ร้อนมากกันกระโดดลงน้ําห้วยลางนะ่ะลงไปแช่ยันนั่นนะ่ะจะไปอยู่ให้ตัวเองตายไม่ได้นะบางข้อถึงมาให้ นหนาวก็หนาวจนเจ้าของตายฮ่อนก็ฮ่อนจนเจ้าของตายโอ้ยกันตายยอ้อนฮ่อนย้อนหนาวเนี่ยมันต้องหาวิธีแก่เว้นเสียแต่ตายพอโรคไผ่ไข่เจ็บเอออันนั้นหรือว่ามีโรคประจำกายตายไปเอออันนั้นอีกแนวนึงแต่เพียงลําพังฮ่อนกับหนาวตายเนี่ยว่มันน่าจะแก่มีวิธีมีวิธีแก่ไข่ถ้ามันฮ่อนมากนะนลงไปหมดหนาม น้ำเขาก็มีอยู่ก็ว่าน้ำเดือดพ่านผ่านแค น, น, น้ำตม้มพักต้มแกงแเอออะไรก็ยังพ่อสีหมกบะมี่ักสีลบไปใส่อันนี้น้ำ ม, มันยังเย็นอยู่หนึ่งไปหายานโดดต้องไปในน้ำแช่น้ำไปสองสามชั่วโมงก็แดดมืดนะมันก็เย็นนะหนาวเือกันหนาวค่าคให้จังไงเนี่ย่ะเขาก็เตรียมคอน เตรียมใหม่ตหมตหเตรียมขอนไว้จุดไฟแล้วก็เผาเน่ะเผานาเผาหลังเขาเข้าอยู่ทังกลางแล้วก็ไล่ความหนาวหนีมัดมันเอาชนะได้หนาวเมืองไทยเพรมันหนาวเมืองนอกถ้าหนาวเมืองนอกอนาคิดอยู่ด้วกันเอาว่ามันติดหลบยี่สิบสามสิบสี่สิบองศาฟังฟ่งฟัง่งมันแล้วก็นาขวัวอยู่ด้นยกันกับหนาวขนาดนั้ แต่ขนาดเท่าเพียงล่งเพียงสองสามองศาเท่านั้นแหะก็ยังมีอเออแม่คันนิ่งเป็นไข่าย่ก็ว่ามันเป็นซาซาซาซานําแข็ง่ะเนี่ยขาวๆติดอยู่ในยอดหยาเน่ะหลวงพ่อเคยเห็นนเด้ทางอีสานเท่านี้แหละหลวงพ่อเคยเห็นแล้วขาวจักผ้ารอดไปมันไม่หยังยังขาวผิดปกติอ่เสียนผ้าพันจักเก็นรอดไป ยางล้ไปจากทางลงไปในโพงหน้าประธานไปจับปอกโอน้ําแข็งน้าแข็งน้ําแข็งน้ําแข็งติดยอดหนาเอาสิ่งนี้เออมันก็แข็งอิเล่แล้วว่ะมันแข็งปบแปะปบแปะเลขาวจักภาคแล้วอืมอันนั้นปีนั่นมันล้มถึงสามองศาสามองศาเสียนเสียนมันเพท่านลบศูนยใช่ไหยังเพท่านถึงศูนย์ได้แค่มันถึงศูนิขนาดไหนกันออไปอันนี้ถึงสามเท่านั้นนอะ เห็นแล้ววันหนาวคักอันนี้หลวงพ่อเคยเห็นแต่หอดสามนะแถวแถวเห่าเนี่ยแต่ขนาดนั่นกันรู้สึกโอ้เหลืออดเลยยางไปใส่นี่ยเจ็บมัดเหยียบก้อนหินนิน่อยกับพ่อปันท้ททททอหัวปุมือหมดแล้วมันอยางไปใส่เจ็บตีนได้ห่ดแล้ไปเจ็บเท่าเน่ยอันนี้คือหนาวตั ว, ว่าห่อนเนี่ยหอนคักคเนี่ยอางว่ท่านเคยมีวะว่าท่านเคยเห็น มิถุห่อนธรรมาดาอย่างที่เหมือว่านหรอว่าบางปีมันก็ห้อนห้อนเนี่ก็เบึ้งๆเลยครับมันหายใจฝืดเนี่ยบิ้งๆล่ะก็มันห่อนคลักๆเนี่ยคล้ายๆว่าหายใจเขามันเอาข้าบอนเขาไปน้าเอาความหลอนเขาไปเขาไปในดั่งเขาไปในปอดหายใจเขาไปมันห่อนคล้ายๆเขาเ้าอยู่ในองค์ยังอะเตาอบยังไงเขาอยู่ใ น, น, ตน mm hmm. เตา อ, ตอบ หายใจเขา่ามันกับเขานํำหายใจออกหายใจเขาก็ทูเข้าไปอันนั้นแปลว่าโอ้ฮอนก็เพียงแค่นั้นกับว่าถึงขนาดว่าถึงกับลำบากแต่ว่าประเทศอินเดียนี่ตายเด้แถวตะวันออกกลางอินเดียนี่ตายเวลาเขาไปในบ้านเขาต้องมีประตูปิดปิดปูให้อากาศเขา่านี่น่ะ ในพระวินัยของพระพระวินัยของพระสงฆ์ภาวนาร่อนนาร่อ น, น, อนต้องปิดหน้าต่างกลางคืนเปิดหน้าต่างกลางวันปิดหน้าต่างเฮาอยู่ในประเทศไทยเฮาเ อ, อ๊ตามที่จิงห่อนมะนาจะเปิดหน้าต่างเฮ้เย็นมั่นนาจะปิดหน้าต่างเป็นอย่างพระวินัย ตอนนี้ยังเป็นหนึ่งสี่เนี่ยเฮาอยู่ในเมืองไทยเด้บาดาไปอยู่ในเมืองนอกเขาบอกว่าขั้นห้อนเนี่เปิดหน้าต่างเนี่ยความห่อนมันเขามาเด้เขามาตามหน้าต่างเขามาตามประตูนะหายใจใบ่ออกหมดไมันห้อนหลายๆเพราะนั้นต้องปิดต้องปิดประตูปิดหน้าต่างไปถึงจะห้อนจยางนี้เขาห่อนอยู่แล้วก็ยังพ่อทอนไหวห้อนอยู่ในห้องแตนะความห้อนมันบ่มความห่อน ผดเผาทั้งนอกบวชเข่าไปถึงจะหอนทางในเลยคือหอนแบบ อ, อบอ้าวบวมเป็นหอนแบบเปลวไฟเข้าไปข้านาบว่าเขาเปิดหน้าต่างเนยเป็นหอนแบบเปียวไฟเข้าไปสู้รูดเข้าไปเนะ่ะเปียวไฟเข้าไปหาเห่าทางในนี่แหละอันนี้ก็คือพวินัยในทางพุทธกาลแต่หลวงพ่อเขามาแปลกใจอีกแนวนึงอีกที่กันเออ พระสงฆ์อยู่ในมัชิมะประเทศประเทศอินเดียประเทศกลางแห่งประเทศอินเดีย15วันอาบน้ำได้ ห, หนึ่งถ้าไม่ถึง15วันอาบน้ำต้องปาจิตีเนี่ยโอ้ขนาดห้อนขนาดดันทีเห็ดยังไงบุให้อาบน้าเรื่องวันเว้นเสียตาอาพาธกระเพิ่นกระเปิดช่องอยู่ได้ว่าเว้นเสียตาอาพาธ เขามันห้อนหลายก็อาพาธเนี่มันบ่ออะไรเขามันห่อนหลายก็อาพาธอาบรามตลอดนะมันอาพาธเลยเนี่ยป่วยมั น, นไปมันห่อนนะคือกันกับหนาวนะ่ะภิกษุจุดเองก็ดีให้ผู้อื่นจุดก็ดีซึ่งไฟเพื่อจะผิงต้องปาเจตีเว้นเสียแต่ อ, อาพาธนะให้ผู้อื่นจุดก็ดีเจ้าของจุดเองก็ดีให้ผู้อื่นจุดก็ดี ไฟเพื่อจะผิงผิงกันหนาวเนี่ยมันเอาต้องป่าจิตติเว้นเสียท่าอาพาธเนอ่บาดาปพระพันก็บอกโอ้ยมันหนาวมันจะตายมันอาพาธกับคักนะเกินคนเนี่ยมันกระต่ายอาพาธนะเอาจุดไฟฟิงเน่ยนี่แหละถ้าไม่จริงวินัยไม่ช่องเลยพันก็เปิดช่องคือกันกฎกหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันไม่ช่องไม่ช่องออกพระวินัยของพระพุทธเจ้าเพื่อน มีช่องออกขึ้นกันแต่ทางบกเปิดหลายศิลนะและวินยัยกฎหมายคือกันนะั่นอันนั้นก็คือกฎการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ที่ว่าหอฟังธรรมวัดนั่นคือศินของพระเองอันั้นคือสินของพระแล้วนะศนะินก็คือกฎระเบียบบ่าม่แนวอื่นนะคือกฎหมายนะประเทศชาติบันเมื่อเขาอยู่ด้วยระบบกฎหมายพระสงฆ์ทั้งหลาย อยู่ในหลักธรรมวินัยอยู่ในวินัยคือคืออยู่ในกฎหมายกฎหมายสงฆ์พระสงฆ์มีกฎหมายกติกากฎบังคับให้ปฏิบัติทังทีจังทีทั้งทีนะอันนี้ก็คือพระวินัยวินัยสําหรับพระสงฆ์ดูด้วยกันพระวินัยเน่ามีสองรอยยี่สิบเจ็ดข้ออันนี้วินัยวินัยใกล้ตัววินัยตายตัววินัยประจํา การนำวินัยอีกนอกจากหันเป็นว่าศิลและวินยัยศิลอภิสมาจารย์ยอภยิสมาจารย์คือศ่าินนอกพระปฏิโมกมันอีกแนวนึ้นอีกเะยี่สินนอกพระปฏิโมกก็ต้องรักษาขึ้นกันสรุปแล้ว ก, ก็คือสินนี่มีหลายหลายลอยหลา ย, ลา ย, ลายพันเลยพวกข้าวจะไปวัดพระมีศิน2องรยยี่สโมเมนเลยขั้นนับอภิสมาจารย์เข้าไปแล้วมากไมก่แต่ว่าศินในพระปฏิโมกเนี่ย2อยยี ทิศสวดทุกสิบหามือจากอุโปโธจักะทะกาลโตปุเปนอม ว, วิธังอันนี้คือสินมากในพระปฏิโมกข์สองอ ย, ยี่บเ็ดข้อสวดทุกสิบคืนสิบหาคำแลมสิบหาคำกลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนปีนึงเดือนหนึ่งสวดสองครั้งนะว่าสวดพระปฏิโมกแต่ศินนอกนั่นแหละมีมากไม่ให้อานให้ลูกคือกด ก, กติกา อันนี้คือศีล น, นอกพระปฏิโมกข์จนพระในขังพระพุทธเจ้าเนี่ยเอื้อมละอานะลา่าหยานวันไปบวชเขามาสก่อนบวชพระพุทธเจ้าพรนบวชสอนได้บวชสอนวินัยก่อนบวชที่เป็นนากแต่เป็นบหชสอนวินัยได้เมื่อเป็นนากเนี่ยสอนแต่ละกธรรมขอปฏิบัติจังไดทําตนจงังให้ปฏิบัติภาวนาจงังใดแล้วก็ทอง ขําขอเอสาหังขอบวชนะบ่ อ, สอ้สอนวินยัยขั้นภิกษุใดสอนวินัยแก่อนุปสมบัติยังพรท่านในบวนปั๊บอวบทุกข์อีกเป็นยังไงยังเป็นยังสัน้นพอหน้าเก่ามากนี่ยกำลังขี่เสาะยังไงเป็นบวชอนะ่ะกาลัางคือถอดบ้านอยู่แล้วอันนั่นก็พิษอันนี้ก็พิษอันนั่นก็พิษอันนี้ก็พิษฟันออกไปขัานอาจารย์สอนวินยัยเดชแห่งกินเขาแร้งเขาปอดใดนะ เฮ็ดอย่างตรงประเขีนตะกอนอย่างซี่แหละเอสอนว่าใ น, นพวกนาคตรีขามามันเกิดขึ้นทอดบ้านอยู่เลยขี่เสาะ อ, อยู่แลวมโนเอาไปมากเกิว้าผมบวบวดออกครับผมบวดเฮ็ดปฏิบัติบไวใดออกแข่งขัดเกินไปเอาไปมากเลยหาผู้บวชบัวใดทั้งที่นิสัยหมักผลนิพ่านมีอยู่แต่ว่าพระพีเรียงสอนกฎระเบียบก่อน บ่ได้ศึกษาให้ทีถวนแต่ว่าขั้นบวชเขามาแล้วสอนวินัยจากทางโลกเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วก็เพราะว่าหน้าพร้อมแล้วสอนวินัยพร้อมมันจะไปด้วยกันได้เพราะว่าจิตใจหมันคล่งขึ้นมาแล้วได้เรื่องวินัยบ่กมีปัญหาป่านไนี่มันอยู่ในใจทั้งมัดมันโมเมนยู่ยืนมองอื่นคั้นหอาบอกเหตุจะก่อนมันจะไปเฮตุซัวได้ยังไงเห็นบอกคนตายคนนอ่นรับเลย ขันเ่าบอกคืดเจ้ก่อนมันก็เฮ็ดอย่างว่าไรอันนี้ห่าวคืดห่าก็คืดในดีทีจะไปทําทีเมื่อคืดดีแล้วจะไปให้เฮ็ดน้มันบดีอย่าไปพูดใ น, นสิ่งที่มันบดีที่มันถูกมันออกไปจากใจเพื่อนั้นพระพุทธเจ้าเป็นยังบ่ให้สอนวินัยให้แก่พระผู้ที่เป็นนาคติดจะมาบวชเป็นพระท่านบาให้สอนกฎระเบียบเออให้มาบวชเจ้าก่อนพอมาบวชแล้วบานเยยังค่อยสอนวินัยอาจารย์ก็สอนล่ะอนุศาสตร์แปดอย่าง กิจที่ข่วยางที่บกควนทําสอยางนิสั ย, ยสอกรณยกิจสนิสัยคือกิจที่ควรทําอกรณิยกิจกิจที่บกวนถ้ำมีอยู่ยางแต่สนะอย่าไปเฮ็ดสอยางนีห้ามเฮ็ดห้ามเฮ็ดคือโทษประหารโทษประหารพระนะสียางนีคือเป็นเครื่องดาเนินชีวิตประจาวันของพระไปปฏิบัติตัางี่สอยางนยพนก็นสอนลบสอนวินัยให้ สอนวิธีเหตุพระไม่จากนั่งอธิบายให้รายละเอียดพอสมควรต่อไปเออให้ศึกษาในวันนี้เนอะต่อไปศึกษาในพระวินัยในศีลของเจ้าของเนอะอันนี้คืออาจารย์สอนขนาดนั่นนะพ่อบวชเขามากแล้วมีพระองค์หนึ่งเลยในข้างพระพุทธเจ้าตะกอนก็เป็นโยมเป็นโยมรักษาศีลหารักษาศีลแปดเกิดชัทถาในพระพุทธศาสนา แต่ฟังถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าคูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเกิดเขารบนับถือเอออยากจะได้บุญเปิดแนะนําสั่งสอนตัวเองก็ปฏิบัติไปน้าพอมก็เชื่อมัน่นในถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งกัต่อมากอ่อเออให้ท่านผมรักษาศีลหาพอมก็ถามาพระ อ, อคูบาอาจารย์เขาน่อยสิเหตุอย่างไรถึงจะได้บุญหลายกว่าเนีย เออรักษาศินแปดรักษาศินแปดตามกาเนอร์ในท่านในการักษาสินหาเมื่อรักษาสินห า, ารนะาากักษาสินแปดทุกวันอุโบสถทุกวันพระนะเนอร์เป็นการคัดเกลากิเลสในจิตในใจครับโดยการรักษาสินแปดทุกวันพระเพราะนั่นคือนะเกิ ด, กดชัฏท่าขืนย่างแรงกาอีกก็ขอน้อยสิเท็จอย่งไี้สิได้บุญหลายกว่านี่ เป็นว่านอกจากนี้ก็เป็นบวช ท, ทันแล้วบาทเนี่ยจะเนี่ยรักษาศินสองรอยยี่สิบเจ็ดเลยเอาเงยๆโนดบาทเนี่ยจะเนี่ยเอามันได้บุญกุศลอย่างมากเลยนคนนนีคก็มีศรัทธาอยู่แล้วเอาบวชก็บวชนปพ่อบวชบาทพ่อบวชแล้วบาทนทอาจารย์ก็สอนอาจารย์ถ้ำพระ อ, อุปชากสอนกรรมฐานหาให้บาทเกซาโลมานาทันตาตาโจ ให้เจ้าพิจารณาจังสีจังสีจังสีเนอะรเมื่อบวชเขามาแล้วให้ตัดกิเลสลาคะโทษสะโมหะในจิตใ น, ในใจออกนะเนออ์ก็ฟังก็เข้าใจให้ปฏิบัติจังสีให้ภาวนาจังสี่คำนวดร่มหายใจจังสี่มก็สอนวิธีการปฏิบัติก็พ่อใจมันไปเออได้ปฏิบัติได้บาดห้าไปหาอาจารย์สอนวินยัยบัดเพร่ ะ, ระต้องสอนวินยัยเนเออ บาตนี่ยก็ไปหาจานสอนไว้ได้จานไวินด้ก็บสอนล่ะอืมเมื่อเจ้าบวชเขามากแล้วเจ้าต้องอยู่ในสินแนะ่ต้องอยู่ในวินัยนะเนออะกิจที่ควรทำยังสี่กิจที่บวกควรทํายังสี่อย่างวนะันอนุสาตแปดอย่างนิสัยสี่ากัลณียุคสี่ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสัยมีสี่อย่างเรียกว่ากัลยาณีากัลยาณียิจที่ควรทํามีอยู่สี่อย่าง อากาศนิยกิจมีมีสี่อย่างกิจที่ไม่ควรทําอธิบายละเอียดให้ฟังละบ้านออกจากนั้นอธิบายเรื่องสินเล็กสินหน่อยก็ไปบ้านโอ้ตะแต่ตตตผมเพ็ุบ่อดหรอกก็จะเนี่ผมคนหยาบหยาบจัิงจริงโยกเมื่อวัยอาจารย์ผมจิล่าซึกมนีล่ะครับปุณห์ผมจิล่าซึกมนีล่ะเป็นอย่างหล่ะโอ้ยผมปฏิบัติบ่อใดแต่แท้ผมก็จากได้บุญ ก็คิดว่าปฏิบัติได้แต่พ่อมาบ่าเรื่องพรอวินัยเข้าไปนูโอ้ยพ่อปันจุงเขารักหนีบบาดเนี่วจะไกระลุกกระดิกโบได้เลยบาดเนียวจอันนั้นก็พิษอันนั้นก็พิษอันนั้นทำโบได้อันนี้ถ้ำโบได้ข้านาเธอผมหลงผมลืมเหะอเหดยังใดเนี่มันก็เป็นบาปแหละเนี่ยพิษวินัยพิษศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเห็ดโบได้ขั้นทิตละเอียดทีถวนปานนี่วจะไ ผมขอล่าชิกแล้วครับผมจะไปเป็นฆราวาสทำมาหาเลี่ยงชีพทำมาหากินนะครัรักษาศีลภาวนาจังที่ผมเคยเห็เนุนะมีความสุขใจอันนี้ผมกินว่าอยากได้บุญมากผมก็เลยอยากเข้ามาบวชแต่พ่อเข้ามาบวชผมเห็ุบวชได้จังซีว่าจะเนี่ยผมยอมแล้วว่าจะเนี่ยพระทั้งหลายก็งงแล้วบานเนี่ยขันนะว่ามีผู้เบาจังซี่หลายๆคนี่เห็ุจังไหน พ่อเขามาบวชเลยก็ถอยจากแบบนี้พ่อสอนวินัยให้ก็ถอยจากแบบนี้จะเอาแบบไหนต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยพอทำวินัยโมเมนของเฮ้าพระสงฆ์ว่ า, าทําวินัยโมเมน์ของพระสงฆ์เนี่เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นเนี่ยเฮ้าจะไปว่าว่าโอ๊ยบอเป็นยั้งดอกพิษนิดนิดน้อยแต่บอเป็นยัง้งมันกับโมเ น, น์แนวอีกพ ร, ระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วก็ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะนั้นเขาถอยเนี่ยเขาพยอมใจเขาพยสูเนี่ยเจ้าจังไดเนี่จังนั้นก็นํามพระองค์นั้ น, น, นแหละพระบวชใหม่น่ยไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่งกระถามว่าเรื่องอะไรพระสงฆ์กราบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยพระใหม่เนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นฆราวาสหญาติโยมเขามีศรัทธาเข้ารบนับถือเดือมใสในพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สอนวิธีการให้ท่านเขาก็ทําบุญทําท่านด้วยชัด t h าอิลีต่อมาเขาก็รักษาศีลก็รักษาด้วยความเชื่อมัน่นศีลหายศีลแปะบอขาดบร่ร่นต่อมาเขาอยากได้บุญอีกพระสงฆ์เลยแนะนําให้เขาบวชพ่อบวชเขามากอาจารย์ก็เลยสอนทำวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาให้เขาบัดนี้ข้อมหาอาจารย์ สอวินัยบ้านคือกฎระเบียบในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ตอเนี่เขารับบ่อใดเขาอยากบอกว่าเขาขัวผิดวินัยขัวบาปเขาเลยอยากซึก้อพระเจ้าข่าเนะี่ยพระพุทธองค์ก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรพระใหมห่อยู่ท่นเธอคิดยังไงโอ้ข่าพระองค์อยากได้บุญหลายทีแรกเลยอ่ครูบาอาจารย์แนะนํากับปฏิบัติตาม พ่อขาม้าบวชเลคือว่าจะได้บุญมากพ่อขอม้าบวชพอวินัยบีบจนหาทั้งขยับขยื่นบ่อไรข้าพระ อ, องค์ปฏิบัติบ่อไรปฏิบัติอย่างพระอาจารย์สอนวินัยเนี่ยกระผมจะขอไปเป็นฆราวาสทำยู่ทำกินเลี้ยงชีพของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมน่าจะเพียงพ่อสำหรับขาพระ อ, องค์ในขาพระ อ, องค์มาปฏิบัติอย่าง ที่พระอาจารย์สอนเนี่คือที่บวไรเพราระว่าพิดให้เข็งคัดเกินอันไหนก็อันนัก็พิดอันนี้ก็พิดอันนั้นก็พิษอันนันก็พิ ษ, นนพษมีเธอแนวพิษทั้งหมดมันหลายมันหลายขอคาบองคพระเจ้าสิเฮียนจังไดรอีกความจํากระบอยดีอีกความเฉลียวฉลาดก็บอกพออีกพระพุทธเจ้าเป็นบอกพระไม่ เธอว่าม right? ันมากมันหลายใช่ไหมพระเจ้าข่ามันหลายขั้นรักษาอันเดียวได้ใดบ่รักษาอันเดียวไม่ต้องรักษาหลายอันเดียวน่ะได้บ่ได้ก็แสดงในขั้นให้ข่าพระองค์รักษาอันเดียวน่ะคอเดียวอันเดียวน่ะสิยากปันไดข่าพระองค์จะรักษาใดก็แสดงในเพราะอันเดียวมันพอยากก็แสดงในขั้นหลายองค์หลายศิษฐาบดึงีิจักจิตศิษฐาบดไดเดียวก็แสดงในข้าพระองค์รักษาบ่ได้มันหลายโพด ขั้รักษาอันเดียวนี่ซึ่งจะยากมันได้ขาพองค์กรเจี๊ยรักษาได้เออเอาเธอมาต้องรักษาหลายนะรักษาอันเดียวเท่านั้นแหะคือรักษาใจนะตัวนี้ต่อไปมาต้องรักษาดอกฟีนัยมาต้องรักษาศีลสอง้อยยีสิบเจ็ดศีลอภิสมาจารย์ศีลพระปฏิโมกมาต้องรักษาให้เบิ้งใจของเจ้าของแต่ละมือเนะี่ยแต่ละวันยาไปคิดในสร้างที่บ้นบอดี ให้คิดเป็นในท่างที่ถูกต้องคิดเป็นสัมมาทิฏฐิอย่าไปคิดเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปคิดร่างแกผู้อื่นอย่าไปคิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอย่าไปคิดอีกสิ่งที่มันบอดีคิดในสิ่งที่ดีสรุปเลยก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอย่าให้เผลอการจะยิบการจะทําการจะพูดยังก็ตามให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดการเป็น ข้แม่นครบาลอาจารย์หลวงปูหมันเพิ่นก็ว่าให้ภาวนาพุทโธให้มีพุทโธอยู่ตลอดเลอะักษะอันสัตยน่ะแต่ในพระพุทธเจ้าเพื่นเพื่นก็บริวา้บริกรรมซื่อของเพิ่นวันไปแต่เพิ่นแต่ให้มีว่าสติให้มีสติอยู่กับตัวเองให้เบื้องใจรักษาใจของเจ้าของแนี่ยไหมันคิดอย่าไปให้มันคิดออกนอกหลู่นอกข้างอย่าไปให้คิดหาอยู่หากินอย่าไปคิดไปหาเที่ยวหาเตรอย่าไปหาคิดออกนอกหลู่นอกข้างให้เบื้องใจของเจ้าของให้มีสติอยู่กับใจของเจ้าของ ว่าเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดในสังเชียงตีมั่นโบดีอย่าเหา็ดย่าผูดยาทำเพราะว่าคิดดีแล้วมันกับมันที่ออกไปทางไหนมาดบานนันน่ได้ไหมรักษาอันเดียวได้ครับท่นน่ยเออไปรักษาอันเดียวแด้วครับผมผ่าไมโงนั่นก็ อ, ออกมาจากเพลิงเบื้องเจ้าของแล้วเบิ้งใจก็เจ้าของบันนี่ บ่ได้รักษามองอื่นะ่ะเบิ้งรักษาใจอย่างเดียวบ่น้านเนี้ยผ่านเนี้ยเบิ้งใจเด้ยเปนบ่ละใจเบิ้งคือเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจนี้ใจเป็นไนใจเป็นหัวนาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งมดัดผ่านเนีอีกบ่นานเพล่ก็เลยสําเร็จเป็นพระอระหรันเพราะเพลรักษาใจของพนเพลนะอชําระใจของเพลใจของเพลรุดพ้นจากอาสวะกิเลสเด้เป็นพระอรหันนี่ละ่ะ พระโพธะเจ้าเนี่ฉลาดอิหลี่หัไปฉลาดในการสอนพวกเขาคินปุงนู้นกระมนเท้านี่ยมดคว่ำคืน ด, ดีเลยกระเมนลูกนองจะซื้อกองเฮ็ดยังไรล่ะเนี่ยพระวินัยเป็นอย่างสี้ซื้อคือซื้อทนแล้วเนี่ยเท้ากัรักษาวินัยขึ้กันเจ้ากันรักษาวินัยเจ้าจะออกนอกลูมนอกทางบ่รักษาวินัยกี่เฮ็ดยังไงฮะไอ้ที่พระโพธิเจ้าบอนว่าเออไม่ต้องรักษาหรอกเนี่ยมันยากนะรักษาอันเดียวก็ พ, รกนนรพะรักษาใจเท่านั้นละาวะนะกัรักษาใจอย่างเดียวนะ พลคนลยกจะเป็นพระอรหันนี่แหละสรุปแล้วก็คือศินเลวินไนเนี่ยห้าวบ่ต้องคิดหลายห่วงห้าวบ่ต้องรักษาห้าวบ่ต้องนักใจให้เบิ่งใจของเจ้าของเท่า น, นั้นแหะสิ่งที่มันบ่ถูกยาย่าท่ำยายาพูดหมดไปเนี่มันใจมันใจของห้ามีท่ำเนี่ยเป็นสนนั่นอ่ะนี่ยพรวันพระไม้ทั้งหลายเนอะรักษาสินโมเมนรักษามองอื่นใรักษาใจปั่นใจของเฮ้า มีเหตุปีผลใจของเฮาอยู่ในถ้าแล้วนั่นแหละส้มเย็นเป็นสุกละ่ะเข้า่าใจของเฮาคิดออกนอกหลูกนอกทางเตลิดเปิดเปิงไปแล้วนั่นแหละพ่อปานมาบาพ่อปานมาบา่ยังว่าน่ะไอ้จะเป็นใสไปไสจะเป็นไสไปใสเอีเห็นหนามโจดโล่งหนามเออคืนบกขึ้นแล่นตกซอกตกซอกตกซอ ก, ก, กจุกออทุกเวล่ำเวลาเออโบจับ ยุดประจักษ์ยับอย่างนะเพราปันมาบ่ายผูกเห่าคือเคยเห็นมั่งมาบ่ายสมัยคนตะกู่มืงนยังมานะวะแต่สมัยลงพอนเห็นเน่ยมาบ่านมันแลนอยู่ตลอดเมันโมยู่นาะไปเพราะใจมันโอยู่กับเจ้าของเลยอันเองเช่กันไปยา่ำเบื้องใจของเจ้าของนะให้มันอยู่ให้มันนิ่งอันอยู่นิ่งนั่นแ่ะเป็นถ้ำเป็นวินัยล่ะบ้านี้อันที่ใจคิดพอกวอกพอกอกเนี่ยเป็นว่ากิเลสกิเลสผ้าน่ำหนําแลนกิเลสผ้าไปะ รับพ่ในแต่นนะอนุโมทนาให้พอ